วันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามว่าในหกข้อเรื่องวัตตะแปลว่าวนสามหนึ่งกิเลสวัตตะวนคือกิเลสสองกรรมวัตตะวนคือกรรมสวิปากวัตตะวนคือวิบากประการแรกขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่า วัฏฏะเสก่อนคำว่าวัฏฏะแปลว่าหมุนเวียนแปลว่าวนเวียนหรือว่าหมุนเวียนมีสามประการแบ่งออกเป็นสามประการกิเลสวัฏฏะกัมมวัฏฏะวิภากวัฏฏะ<แ>สภาพทั้งสามประการนี้ได้ชื่อว่าวนเพราะหมุนเวียนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดกิเลส คือความอยากได้ความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้กระทำกรรมคันกระทำกรรมนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นคือเมื่อไดอ้คือได้ยินดีอย่างหนึ่งได้ยินร้ายไม่ชอบคือให้ยินดีอย่างหนึ่งให้ยินร้ายไม่ชอบใจอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นกิเลสเกิดขึ้นอีกวนกันไปอย่างนี้ ทำให้สัตว์โลกติดอยู่ในวัฏตะหรือวัฏฐะที่ทำให้สัตว์โลกให้ติดอยู่ที่เรียกว่าไตรวัฏฐ์ไตรวัฏฐะคือตัวสังสารจักรตัวสังสารจักรซึ่งได้แก่อวิชาตันหาอุปาทานกรรมสัตว์โลกจึงไม่พ้นไปได้ต่อเมื่อพระอรหัตมรกเกิดขึ้นตัดวัฏฐ ะ, ะให้ขาดลง จึงจะพ้นไปได้จึงจะพ้นไปได้พูดง่ายๆก็คือว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาก็มีกิเลสนะเมื่อเมื่อมีกิเลสไอ้กิเลสนี่มันก็เป็นเหตุให้เราทำกรรมการทำกรรมนี่เราก็ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรม กรรมชั่วก็เรียกว่าอากุศลกรรมดัง น, นั้นเราทำกรรมดีด้วยการให้ทานารักษาศีลเจริญภาวนาแม้ว่ายังไม่หมดกิเลสกัณหาเราก็ยังต้องมาเกิดเวียนว่าย อ, ยอีกจะมาเวียนว่าย อ, ยอีกทำชั่วก็เหมือนกั น, นทำชั่วเรียกว่าอากุศล ก, กรรมกรรมไฟด่างก็ทำให้เรานนั้นต้อง เกิดเวียนว่ายอยู่ในอบายภูมินะเป็นเปรตเป็นนรกเป็นอสุรกายเป็นดิรรกฉานนะต้องเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ น, นะเพราะว่าเมื่อเราทํากรรมแล้วก็ต้องมีผลแห่งกรรมนะทํากรรมแล้วก็ต้องมีผลแห่งกรรมพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราทํากรรมแล้วท่านทํากรรมแล้วย่อมได้รับปิบากแห่งกรรมก็คือผลแห่งกรรมที่เราทํานั้นที่เรียกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเมื่อได้รับปิบาก คือกิเลสเกิดขึ้นอีกอะกิเลสมันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ทํากรรมต่อไปอก็ทําทั้งดีทั้งชั่ววังนั่นแหละทำทั้งดีทั้งชั่ววนเวียนกันไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะจบสิ้นไปได้ฉังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดไปว่าอเนกชาติสังสารังสันาพิสังอนิพิสังขะการังคเวสันโต ว่าเราได้มาหลงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตเปน็นแสนๆท่าว่าพยายามที่จ ะ, สะแสวงหาหตัวสร้างพบสร้างชาติไอ้ตัวสร้างบ้านสร้างเรือนบัดนี้เราได้พบแล้วก็คือไอ้ตัวตันหานี่เองเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเรือนนี่เราถึงทับแล้วเราบรรลุแล้วเราทำลายได้แล้วน ต่อไปนี้เราก็เรียกว่าจะหมดภพหมดชาติเจ้าชะธีสิ้นภพสิ้นชาติเจ้าธีนี่อย่างนี้เรียกว่าเรากําจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงการที่จะกําละกําจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงนั้นก็อต้องอยู่ในขั้นของอพระอรหรันต์นะอยู่ในขั้นของพระอาหารหันต์จึงจะกําจัดกิเลสได้เรียกว่า ถ้าเอารหัสตามักจะตัดให้ขาดลงได้เรื่องใจวัดยกอุท า, าหอ น, นให้เห็นเป็นเพียงตัวอย่างาบุคคลผู้เป็นปุถุชนชื่อว่ามีกิเลสทั้งนั้นทำอะไรลงไปด้วยกายวาจาหรือใจก็จัดเป็นกรรมกรรมนี่ก็แปลงออกเป็นสองใหญ่ๆคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีกับกรรมชั่ว แล้วคนเราทําดีก็ทําได้ทั้งสามทางคือกายกรรมอกรรมที่ทําทางกายวจีกรรมกรรมที่ทําทางวาจามโมนกรรมกรรมที่ทําทางใจในปลายชั่วก็เหมือนกันมีทั้งกายกรรมวาจิกรร ม, มโนกรรมแต่เราเรียกว่าสุจริตกับพุชจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอกายพุจริตวาจิพุจริตมโมนทุจริต เราแบง่งออกอย่างนี้กรรมนั่นแหละให้ผลตามเหตุที่บุคคลทำเมื่อได้รับผลแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นอีกเช่นบุคคลมีความโลภชั่วมีกิเลสประเภทนั้นประจำใจไปลักของที่เจ้าของเขาหวงแหนจัดเป็นกรรมเมื่อเขาจับได้ก็เอาไปใส่กรงขังติดคุกติดตารางหรืออาจจะถูกยิงตายหรือถูกประชารันก็ได้ ทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็จัดเป็นวิบากจัดเป็นวิบากที่เราเรามักจะพูดกันว่าปลงซะเถอะนะปลงซะเถอะน ะ, นะเรายอมรับที่เหตุการณ์อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ก็ก็ถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเรากิเลสคือความโลภอย่างเก่าหรือกิเลสอย่างใหม่คือความโกรธหรือความพยาบาทและอื่นๆอีกก็ย่อมเกิดขึ้นหมุนเวียนกันไปไม่มีที่สิ้นสุด ต่อเมื่อพระอรหันตมัตตมาตัดกิเลสอันเป็นเหตุให้ขาดสายดงเมื่อนั้นวัตตะทั้งสามก็จึงขาดลงนะไม่เวียนว่ายอีกแล้วแม้จะทำอะไรลงไปด้วยกายวาจาหรือใจก็เป็นแต่เพียงกิริยาไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากต่อไปนะไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากต่อไปอย่างนี้แหละจึงจงเรียกว่าอาจึงจะตัดได้นะจึงจะตัดได้ฉะนั้น อคนเราก็คือก็ติดอยู่ในวัฏฏะนั่นเองเนี่ยในวัฏฏะก็คือวนกันอยู่ น, นี่เองเนี่ยวนกันจนวนกันจนหน้าเวียนหัวว่าไงจะ น, นะมันหลายวนเหลือเกินฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้บอกว่าทุกขาชาติปุรณกปุรนังการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์าการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาถามว่า กิเลสกรรมและวิบากทั้งสามเพราะเหตุไรจึงได้ชื่อวัตตะอันนี้เราก็ตอบไปได้ดุดในแรกคือหมายถึงว่าเพราะกิเลสกรรมและวิบากทั้งสามนี้มันหมุนเวียนกันไปดุดล้อรถ คือเมื่อคนเราเกิดขึ้นมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมเป็นเหตุให้ทำกรรมคือทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วฉั้นทำกรรมดีกรรมชั่วยังไม่ถึงที่ทำกรรมดีไม่ถึงที่สิ้นสุดแล้วก็ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับวิบากแห่งกรรมเมื่อได้รับวิบากแห่งกรรมหรือผลแห่งกรรมเมื่อได้รับกิเลสก็เกิดขึ้นอีกวนกันไปอย่างนี้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละจึงได้ชื่อว่า เรื่องไ้ชื่อว่าวัฏฏะครีสเราจะถามว่าสัตว์จำพวกใดได้ชื่อว่ายังติดอยู่ในวัฏฏะพระโสดาบันได้ชื่อว่ายังคล่องอยู่ในวัฏฏะหรือไม่นี่อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าสัตว์จำพวกที่ยังมีพวกอวิชาตันหาวปาทานกรรมเป็นเจ้าของเรือนเป็นของประจําจิตประจําใจได้ชื่อว่ายังติดคลองอยู่ในวัฏฏะ คนมีวิชาก็คือคนง่นะคนง่รู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งรู้ในสิ่งที่ไม่ไม่น่ารู้ไอ้สิ่งที่น่ารู้เรากลับไม่รู้เราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ทุกเราไม่รู้เหตุให้เกิดทุกเราไม่รู้ความดับทุกเราไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกนี่แหละมันตัวเอาวิชา ไอ้ตัวนี้ตัวสําคัญมันมืดมันมิดนะมันปิดบงังจิตบังใจของเราไว้มันปิดตาของเราไว้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีอวิชชากันทั้งนั้นแต่ว่าใครจะมีอวิชชามากอาวิชชาน้อยเนี่ยโง่เข่ากันทั้งนั้นนะฉะนัะ้านไอ้ที่เราเกิดมานี่มันก็นี่แหละถ้าตัวอวิชชานี่นมันโง่อวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจยาเนี่ย อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนี่ในตัวตัณหาก็เหมือนกันเรายังมีตัณหาอยู่ความอยากความทยานอยากการมตัณหาความอยากในกายนะกามตัณหาก็คืออยากในกายเพราะว่าตัณหาก็คืออยากในพบหรือว่าอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นนะ แล้วก็วิภาวะตัณหาก็คืออยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่อยากไม่มีอยากไม่เป็น น, ป น, น, นี่เราก็เรามีตัณหามันก็ติดอยู่นี้นะียังติดอยู่ในวัฏจัยังลงอยู่ในวัฏจักรณส่วนอุปาทานก็เหมือนกันอุปาทานหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นก็ยังแบ่งออกไปอีกเป็นสี่กามุปาทานนะ่ก็ถือมั่นในกาลทิฏฐุปาทานก็ถือมั่นในทิฏฐิ ศีลปตุปาทานก็ถือมั่นในศีลทศอัตวาทุปาทานก็ถือมั่นในวัฏถะในวาัว่าวตน้นว่าเป็นตนว่าเป็นตัวว่าเป็นตนแล้วก็พวกที่มีกรรมกรรมก็หมายถึงว่าการกระทำกรรมดีกรรมชั่วทำทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละ ย, ยังติดยังคล้องอยู่ในวัฏจักยังหลงอยู่ในวัฏจั พระโสดาบันได้ชื่อว่าข้องอยู่ในวัตฏะเหมือนกันเพราะแต่เพียงชั้นพระโสดาบันเท่านั้นยังละสังโยชน์ไม่ได้หมดพระโสดาบันพระโสดาบันละสังโยชน์ได้เพียงสามจั ก, กรยทิพิวิจิกิจฉาสีละพสกรา ม, มาได้แค่นั้ น, นยังได้แค่นั้นเพราะว่าพระโสดาบัน ท่านเหล่านี้จะต้องบำเพญ็ญที่จะปร ะ, ประหารกิเลสนะทำกิจคือการประหารกิเลสต่อไปอีกนจนกว่าจะบรรลุพระอรหันต์เปลี่ยนพบเปลี่ยนธาตเสียก่อ น, นทั้งนี้ก็ยังมีอวิชชาเป็นรากเหง้าของวัฏฏะเป็นเจ้าของเรือนอยู่ถ้าจะถามว่ากิเลสเช่นไรเรียกว่ากิเลสวัฏฏะและวัฏฏะสามนั้นจะย่นลงเป็นสองได้หรือไม่ถ้าได้ก็ย่อม ลงอย่างไรอาศัยอะไรเป็นหลักก็ตอบได้เลยว่าอาวิชาตันหาอุปาทานกรรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสวัตตะได้นย่นลงเป็นเหตุและเป็นผลกิเลสกรรมเป็นเหตุวิบากเป็นผลคงเดิมอาศัยปัจจยาการเป็นหลัพกพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าอาวิชาตันหาอุปาทานกรรมเนี่ยเรียกว่ากิเลสสวัตตะ ถ้าจะย่นลงให้เป็นเหตุและผลกิเลสกรรมก็เป็นเหตุวิบากก็เป็นผลคงเดิมอาศัยปัจจัยาการเป็นหลักนคะือแบ่งออกเป็นสองว่างั้นเถอะที่ว่าย่นลงเป็นสองนะ่ะได้กิเลสกับกรรมนะ่ะย่นลงในเหตุวิบากนะ่ะย่นลงเป็นผลคงเดิมนะ่ะเพราะวิบากก็เป็นผลแห่งการกระทําอยู่แล้วอาศัยปัจจัยาการนะหรือว่าปฏิจจสมุปบาทนะเป็นหลัก นี่เป็นเรื่องของอของวัตตาสามอาเมาพูดวัตตาสามก็จะต้องพูดเรื่องอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องวิชาสามหรือว่ายานสามาติดต่อกันไปเลยวิชาสามนึว่ายานสามก็คือหนึ่งภูเพ็นิวาสานุสติยานรู้จักระลึกชาติได้สองจูตูปปาตยานรู้จักกําหนดจุติและเกิด สามอาสวะคยายานรู้จักทมอาสวะให้สิ้นประการแรกขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่าวิชาเสียก่อนวิชานี่แปลว่ารู้แจ้งแปลว่ารู้แจ้งท่านกล่าวว่าเป็นองค์แห่งพะสัมมาสัมโพธิญาณอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุในยามทั้งสามแห่งราตรีโดยลำดับท่านจำแนกได้ดังนี้ คืนหนึ่งปกเพนิวาสานุสติยานรู้จักระลึกชาติได้คือได้แก่การระลึกชาติได้โดยถอยหลังเข้าไปนับตั้งแต่ชาติที่หนึ่งนะสองชาติสามชาติอืมนับเรียกว่าถึงห้าร้อยชาติในชาติเท่าว่าในชาติที่เอเท่านั้นไปบังเกิดในที่นั้นมีชื่อ พ่อแม่อย่างไรรูปร่างผิวพันธุ์อย่างไรกินอาหารอย่างไรสวยสุขทุกอย่างไรมีอายุเท่านั้นเป็นอย่างนั้นจุติจากชาตินั้นแล้วได้ไเกิดในชาติที่เท่านั้นได้เป็นอย่างนั้นแล้วมาเกิดในชาตินี้เนี่ยจะเลึกชาติในผลหลังได้ตลอดที่ได้มาแล้วทีนี้คําว่ายานนี้ก็แปลว่ารู้อีกเหมือนกันนคําว่าวิชาก็แปลว่ารู้แจยานก็แปลว่ารู้อีกเหมือนกัน ยานนี้ย่อมเป็นคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยานนี้บังเกิดขึ้นแล้วย่อมทําให้หายตื่นหายหวับหายความเวียนว่ายตายเกิดเห็นเป็นคติแห่งธรรมดาเกิดอนัตตานุปัสนาคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยความไม่มีตัวไม่มีตนคือ พ, พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนยานนี้ท่านกล่าวว่ากําจัดโมหะความหลง กำบังขันธสันดาน่อว่าเป็นอนัตตานุปัสนาสมกับที่พระองค์สมกับที่เป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแท้จริงอันนี้ก็หมายความว่าพุทเธนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้นระะลึกชาติได้รู้ว่าที่ที่ได้เกิดมาชาติแล้วแล้วนะเกิดมาเป็นอะไรนะ พ่อแม่ชื่ออะไรมีโคตรเผ่าพันธุ์เป็นอะไรเนี่ยเมื่อตายจากท่านนั้นแล้วไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยรู้ไปหมนี่รู้หมดหรือยังพวกนักเรียนนักศึกษาถ้าหากว่าพระองค์ท่านยังมีพระธรรมเทศย์อยู่ก็จะบอกอได้เลยว่าอืนักเรียนคนนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรอี่คนนี้เป็นอะไรจึงได้มาเกิดอย่างนี้อทํากรรมอะไรไว้เมื่อไรที่ไหนทําอย่างไร นี่พระพุทธองค์จะบอกนะเนี่ยจะบอกนะเพราะฉะนั้นพระองค์ที่เราได้ศึกษาในตำรับตำราก็จะเห็นว่าพระองค์นี้ก็เสวยพระชาติมาทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลายจำพวกืะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรก็เยอะแยะแต่ทุกชาติที่พระองค์ได้ อ, อุบัติขึ้นนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็น เป็นผู้นำํำนะตัวรสชาติเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ดีมีคุณธรรมนะเป็นสัตว์ที่ดีมีคุณธรรมเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรมนี่เรียกว่าดีทั้งนั้นนะมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นอืม น, นั้นอันนี้แหละก็เป็นเครื่องชี้เห็นว่าคนเราบางคนนี้ถ้าหากว่ามีบุญวาสนาได้บําเพ็ญมามากมีจิตใจเป็นสมาธิ ก็สามารถที่จะระลึกชาติได้แต่ที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้ระลึกชาติได้จริงๆเป็นการหลอกลวงกันมากกว่าแกล้งระลึกชาติได้อ้างโน่นอ้างนี่เป็นทางหากินมากกว่าเป็นการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองในสาหรับคนที่โง่ก็หลงติดหลงเชื่องงมงาย ขนาดตัวเองยังไม่รู้แล้วจะไปรู้คนอื่นได้อย่างไงนะนี่ฉะนั้นก็อันนี้ก็ขอให้เราได้ฟังหรือว่าได้ยินอะไรแล้วก็จะพิ่งไปตื่นฟังหูเอาไว้หูนแต่ที่เขาลเลึกชาติได้จริงๆก็มีนะอันนี้ก็เคยเป็นข่าวเกรี้ยวกล่าวตำหน้าหนังสือถิ่ก็มีมากนะเกี่ยวกับการเลึกชาติได้ว่าเมื่อชาติที่เท่านั้นได้เป็นลูกของคนนั้นได้ทํางานอย่างนั้นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่แล้วก็ เมื่อ <ME ET AN> ตายไปแล้วมีตำแหนิงตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็มามีการพิสูจน์กันเนะี่ยมีการพิสูจน์กันอนะอันนี้จริงๆแล้วก็มีนะอาจจะมีอย่างนั้นก็มีอืแต่ไอ้ที่ไม่จริงก็มากนะไอ้ที่จริงก็มีไม่จริงก็มากฉะนั้นก็อันนี้พวกเราก็อย่าไปพึ่งอารมนะเมอเพ้อพบ ก, กันอนะทุกวันนี้เราหลงไหลกันมากติดพวกผีเช้าเข้าทรงกันมากนะติดกันมากติดหมอดู หมอเดากันมากอืมเขาจึงบอกอย่าไปหลงออ่อาจะหลงหมอดูหมอเดาหมอตินหมอปลอกหมอหลอ ก, อลอกคินเงิน อ, อย่าไปหลงอืพวกเรานี่ขอประทานโทษเดินเดินเซอรเข้าไปติดกับจริงๆเขานั่งอยู่เฉยๆก็เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับเรา เ, เราก็ดัน ง, ง้อเอาเงินไปให้เขาได้ เขาไม่รู้สักหน่อยว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ไกล้นลจังหวัดบางทีไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรอย่างไรแต่ว่าเรากลับเราไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรมีหน้าที่อย่างไรอุจสานั่งรถนั่งเรือมาหาหมอโดูมาให้อคนพวกอผีเจ้าเข้าทรงเขาทํานายใครครับ อ่าพอเขาทักว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาเลยเชื่อเลยบางครั้งกลัไปบ้านทะเลาะ ก, กับหัวกับเนียก็มีอ่าตีกันหัวร่างข้างแตกอย่ากันก็มีนี่นี่ไม่เป็นเพราะเกี่ยวกับหมอดูเลยไม่เพราะใช่พวกสีเจ้าเข้าสวงหอกเลนี่บางครั้งเราต้องเสียเงินเสียทองมาอนสีเจ้าเข้าสวงเนยมันหลอกมากนะหลอกมาก บางคนหมดเนื้อหมดตัวไปเป็นแสงเค่อยถูกหลอกอย่างนี้พวกนี้เขามีกิจยาเขามีวิธีการนะเขาดําเนินการไปเป็นขั้นเป็นตอนเขามีหน้ามา้า เ, เขามีหน้ามา้าฉะนั้นนี่แหละจึงยากให้ชาวพุทธของเรานี่ยนะตื่นเสียทีนะไอตาลืมแล้วแต่ว่าใจยังไม่ลืมนใจมันยังมืดยังมิดยังถูกไอโมหะคือกิเลสห่อพุ่มห่อพุ่มอยู่ ตื่นแต่ตาแต่ว่าไม่ตื่นใจฉะนั้นตื่นตาแล้วต้องตื่นใจด้วยเตื่นใจด้วยคนบางคนชอบกันรักกันมานานหลายปีก็ยังดันอุตส่าห์พาไปหาให้หมอทานายได้ว่าจะรักกันนานไหมจะมีอุปสรรคไหมก็หมอเขาจะไปรู้อะไรเขาอยู่ที่วัดจะไปรู้อะไรเขาไม่ได้มาเดิน เขาคอยติดตามเราว่าเราจะไปไหนกันจะทําอะไรเขาก็ไม่เคยนี่ไอตัวของเราเรารู้แล้วว่าเราทําอะไรกันเนี่ยที่เรารักกันเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างเอาใจกันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่านี่ทําไมจะต้องไปศึกษาอย่างนีน้นี่แหละอันนี้ขอประทานโทษที่อพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้พูดนี้ไม่ค่อยมีความเชื่อนในเรื่องนี้นะไม่ค่อยสนใจด้วย ในเรื่องเลิกยามดวงก็ไม่ค่อยสนใจเพราถือว่าเอาความพร้อมเป็นใหญ่เอาความพร้อมเป็นใหญ่ตุนักขัดตังตุนังคันลังตุ ป, ปะพาตังตุพุทิตังตุขโ น, โนเนี่ยตุ น, นี้เรียกว่า ย, ยามดีครูดีขณะดีแล้วก็เอาเลยทําเลยถ้าพร้อมแล้วทําเลยไม่ต้องไปมัวคอยเลิกยามดวงอะไรปลกนี้เสียเวลานบางครั้งเราจะปลูกบ้านเตรียมเงินไว้สักสองสามแสนบาท พร้อมอยู่แล้วไปหาหมอดูหมอท่านบอกยังปลูกปีนี้ไม่ได้ถ้าปลูกแล้วปีนี้ก็อาจจะต้องมีการทะเลาะเบาแววนกันเอาเก็บเอาเก็บเงินไว้ปลูกปีหน้าก็ปรากฏว่าเงินหมดพอดีไม่ได้ปลูกหรือบางทีก็ปรากฏว่าพอถึงปีหน้าผัว ก, กับเมียก็ทะเลาะกันแต่ทันทาไม่ได้ปลูกอีกเหมือนกันนี่แหละฉะนั้นจึงอยากจะให้ชาวพุทธของเราเนะี่ยได้ตื่นจากพวกสิ่งเหล่านี้สักทีนะตื่นเทีทีฉะนั้น อันนี้ก็ฝากนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดว่าหมอนั้นไม่รู้ดีไปกว่าตัวของเราเองเรารู้ดีกว่ารู้ดีกว่าก็ตัวของหมอท่านก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้คนอื่นไนดะ้อย่างไรว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านคิดอะไรท่านทำอะไรท่านก็ยังไม่รู้ท่านจะได้ดีหรือไม่ได้ดีท่านก็ไม่รู้ ว่าวันนี้จะคนมีคนเอาเงินมาให้เท่าไรท่านก็ไม่รู้เมื่อท่านไม่รู้แล้วจะไปรู้คนอื่นได้อย่างไง น, นี่แหละฉะนั้นจึงขอฝากพวกเราไว้อย่าไปหลงนะอย่าไปติดแต่พวกเราก็ขอประทานโทษโดยมากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้ผูพ้พูดเองได้เคยประสบมาเคยเดินทางไปต่างจังหวัดคุณโยม มีลักษณะของผู้ดีก็คงจะเป็นคุณหญิงคุณนายเนี่ยถามว่าท่านอาจารย์อยู่วัดไหนก็บอกว่าอยู่วัดนั้นวัดนี้อ่าดูหมอเป็นไหมก็บอกไม่เป็นหรอกเจริญพรบอกอ้าวเป็นมหาป ร, ริญญาทำไมดูไม่เป็นล่ ะ, ะท่านอาจารย์วัดโนมไม่ได้เป็นมหาป ร, ริญญายังดูเป็นนี่เพรเข้าใจผิดอย่างนี้เข้าใจศาสนาผิดพลาดมากผิดพลาดมากฉะนั้น เราจะต้องช่วยกันแก้นะช่วยกันแก้อย่าไปมอมเมาประชาชนให้งมงายเกี่ยวกับเรื่องหมอดูหรือผีเจ้าเข้าทรงจนเกินไปเอาละถึงว่ามันจะไม่หมดไปก็ไม่ว่าละแต่ว่าเราต้องทําด้วยเหตุด้วยผลเป็นขั้นเป็นตอนอย่าไปงมงายนะอย่าไปงมงายดังนั้นขอให้เรานั้นเอาความพร้อมเป็นใหญ่นะ ไอดวงดาวมันอยู่บนฟ้าจะมาทําอะไรเราได้เลิกยามนั่นคือความพร้อมนั่นเองถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปทําถ้าพร้อมแล้วก็เอาเลยเพรงะนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นในที่กล่าววันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าภุกเพนิวาสานุษติยานก็คือการรู้จักระลึกชาติได้มาในข้อที่สองจุตูมาปาตยานรู้จักกําหนดยุติและเกิด คือได้แก่ปรีชาเล็งเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติก็มีกาลังเกิดก็มีและย่อมรู้แจ้งชัดว่าสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นไปตามกรรมยานที่สองนี้ปรารบเหล่าสัตว์ผู้เวียนไหวาตายเกิดอันเป็นคติธรรมดาและความเป็นไปตามอานาจแห่งกรรมเป็นคติแห่งธรรมดาด้วยยานนี้ท่านกล่าวว่ากรรมจัดโมหะกรรมบัง ก, กรรมมัสกา คือความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนประการที่สามอาสวัคยายานรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปคือได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุไทยอะไรเป็นตัวอาสวะอะไรเป็นเหตุให้เกิดอาสวะอะไรเป็นความดับอาสวะเมื่อรู้แจ้งเช่นนี้แล้วจิตก็ก้กนจากอาสวะทั้งสามคือกรรมภพ และอวิชชารู้แจ้งว่าชาติของตนสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิตที่จะต้องทำให้ได้ทำเสร็จแล้วกิตอื่นอีกกิตอื่นอีกจะต้องทำอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วยานนี้ไม่เป็นเพียงแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นยังรู้จักนำความรู้นั้นๆมาเป็นประโยชน์แก่การทำอัสวะให้สิ้นไปอีกด้วยคือได้แก่รู้อริยสัจสี่นั่นเอง รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกและรู้ให้ถึงรู้ค้นทางให้ถึงความดับทุกฉะนั้นาการที่รู้อย่างนี้ก็จึงจัดเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นถ้าหากจะมีคําถามว่าอาวิชชาสามเป็นวิทยาจำเพาะพระบรมศาสดาหรือว่าภาษาวกก็มีได้บ้างจงอ้างหลักอันนี้เราก็จะตอบได้เลยว่า ไม่เป็นวิทยาหรือความรู้จำเพาะแต่พระบรมศาสดาเท่านั้นราสาว ก, ก็มีได้เหมือนกันมีบทว่าเตวิชโชผู้ได้วิชาสามเป็นคุณนามของพระสาวกปรากฏในประเภทพระอรหันต์เป็นหลักอ้างหรือถ้าจะมีคำถามอีกว่าวิชาสามสมควรอย่างไรท่านจึงกล่าวว่าเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าสมควรเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณดังนี้คือปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงว่าการระลึกชาติในหนหลังได้ก็คือในการก่อนได้ตะจะพูดได้ว่าระลึกถอยหน้าถอยหลังได้ว่าแต่ละชาติละชาตินั้นพระองค์เกิดเป็นอะไรการรู้อย่างนี้เป็นการกำจัดโมหะ คือความโง่เขลาที่ปิดบังขันธสันดานไม่ใหเรารู้ไม่ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อเรากาจัดไปได้เราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้แหละเรียกว่าปุปเพนิวาสานุสติญาณส่วนจุตูปปาตยานั้นท่านกล่าวว่าเป็นการกําจัดตัวโมหะคืออวิชชาที่ปิดบงังกรรมสกตา คือหมายว่าปิดบังว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเสียได้นะอย่างนี้เรียกว่าจุดตูปปาตยานส่วนอาสวะคยายานในยานที่สามนะท่านกล่าวว่าไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะทรรมกิจแต่เพียงรู้เท่านั้นแต่ยังรู้จักน้อมความรู้นั้นมาเป็นอุปการะในการทำอาสวะให้สิ้นไปอีกด้วยเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง อวิชาสามก็ดีเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องวัตฏะก็ดีวิชาสามก็ดีพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามในหัวข้อเรื่องว่าวิโมกสามคือหนึ่งสุญญาวิโมก สองอ น, นิมิตะวิโมกสามอปปนิหิตะวิโมกประการแรกขอให้อาท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่าวิโมกเสียก่อนคำว่าวิโมกแป ล, ว, ว, ว, นะแล ว, ว่าความพ้นแปลว่าความพ้นหรือว่าหลุดพ้นจากกิเลสนะที่เรา เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าสแสวงหาวิโมกขธรรมก็คือว่าสแสวงหาความหลุดพ้นนั่นเองหรืออย่างที่สวนโมกนะสวนแห่งความหลุดพ้นนะสวนโมกสวนโมกขะพลารามนี่นี่ก็คือว่าคาว่าวิโมกก็คือความหลุดพ้นอคาว่าหลุดพ้นนี่หมายถึงว่าหลุดพ้นจากกิเลสกันหา ก็ได้แก่พระอาหารหันต์นั่นเองนะก็มีอยู่สามอย่างคือหนึ่งสมยตาวิโมกข์ทำว่าสมยตาวิโมกข์ก็ได้แก่ความพ้นโดยเป็นสภาพว่างเปล่าคือโลกุตระธรรมคือพ้นจากโลค้นโลกุตระธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสมาบัตมีอารมณ์อันว่างจากราคะโทสะโมหะ เราพูดง่ายๆก็คือว่าสุญญะวิโมกนี้พ้นโดยเป็นสภาพว่างอันนี้พระอราจารขาจารย์ท่านแก้ว่าที่ได้เชื่อเช่นนั้นเพราะว่าว่างจากราคะโรสะโมหะอาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเห็นว่าได้แก่โลกุตรธรรมอันสำประยุทธ์ด้วยสมาบัติแปลว่าความพ้นโดยหาเครื่องหมายมีได้ เนี่พ้นโดยหาเครื่องหมายมิได้ประการที่สองอันนี้มิตตาวิโมกได้แก่ความพ้นอันหาเครื่องหมายนิมิตรมิได้คือโลกุตรธรรมมันสัมพยุดด้วยสมาบัตมีอารมณ์อันหาราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องหมายมิได้พูดง่ายๆก็คือว่า อันนี้มีตาวิโมกอ่าความพ้นโดยหาเครื่องหมายไม่ได้นแต่สุญญตาวิโมกอันแรกจะหมายถึงว่าความพ้นโดยความเป็นสภาพว่างนว่างจากราคะโทสะโมหะนี่ว่างจากราคะโทสะโมหะนแต่ทีนี้มาอันที่สองว่าความพ้นโดยหาเครื่องหมายมีได้อันแรกคําว่าสุญญตาเนี่ว่างเปล่านะ พ้นโดยความเป็นสภาพว่างแต่อันที่สองนี้พ้นโดยหาเครื่องหมายไม่ได้อันนี้ก็หมายความว่าเพราะว่าพ้นจากราคะโทสะโมหะเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นสิ่งที่หา น, นิมิตเครื่องหมายไม่ได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเห็นว่าได้แก่โลกุตรธรรมที่สัมบุญด้วยสมาบัติมีอารมณ์อัน ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นเครื่องหมายมีได้ประการที่สามอปะนิหิตะวิโมกได้แก่ความพ้นโดยหาที่ตั้งมีได้คือโลกุตระธรรมอันสัมปยุตด้วยสมาบัตมีอารมณ์อันหาราคะโทสะโมหะเป็นปณิธิคือที่ตั้งมีได้หมายความว่าพ้นโดยหาที่ตั้งมีได้ พระอัตถคถาจารย์ท่านแกว่าที่ได้ชื่อเช่นนั้นเพราะว่าหาโลภโทสะโมหะเป็นปณิธิคือที่ตั้งม่ได้คําว่าปณิธิในหมายถึงว่าที่ตั้งนะที่ตั้งและสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเห็นว่าได้แก่โลกุตรธรรมสัมปยุทธ์ด้วยสมาบัติมีอารมณ์อันหาราคาโทสะโมหะเป็นปณิธิคือที่ตั้งไม่ได้ อันนี้อาจจะทําความงุนงงให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วท่างผู้ฟังทั้งหลายเป็นอย่างมากคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไปมากในสามข้อนี้คือทั้งสามข้อก็หลุดพ้นด้วยกันทางนั้นนะพ้นด้วยกันทางนั้นแต่ว่าการพ้นนั้นแตกต่างกันกันนิดหน่อยคือพ้นจาก ราคาโทสะโมหะเหมือนกันนีพ้นเหมือนกันแต่ว่าอันแรกพ้นอ่าพ้นโดยความเป็นสภาพว่างเปล่านอันที่สองพ้นโดยความเป็นสภาพหานิมิตมีได้อันที่สามพ้นโดยความเป็นสภาพหาที่ตั้งมีได้นี่นี่เราพูดชัดชัด แปลว่าพ้นจากราคาโทสะโมหะเหมือนกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันอันแรกว่างอันที่สองไม่มีเครื่องหมายนะพ้นอันที่สามก็คือไม่มีที่ตั้งนะหาที่ตั้งไม่ได้อันนี้ในในพระบิรรมมัตธสังขะที่กล่าวอธิบายถึงไตรวิโมกหรือว่าวิโมกสามแสดงว่าอนุปัสนาปัญญาทั้งสามนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็น วิโมกขมุก ค, คือเป็นอุบายที่จะให้ได้ซึ่งพระอริยมรรยผลอันปรากฏ น, น, น, น, นามชื่อว่าสุญญาตาวิโมกนะอันปรากฏนามชื่อว่าสุญญตวิโมกหรือและอันิมิตวิโมกและอัปปนิหิตวิโมกสุดแท้แต่วุธคามินีวิปัสนากล่าวคืออนุโลมฌานอนุโลมยาณ คือพิจารณาอนัตตลักษณะยึดหน่วงลักษณะเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในสุญญาตานุปัสนาแล้วพระอริยมรรตที่บังเกิดในมรรควิถีนั้นพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าสุญญาตาวิโมกแต่ถ้าวุทาวุ ธ, ธานาคามินีวิปัสนาคืออนุโลมฌานนั้นยึดหน่วงอนิจจลักษณะเป็นอารมณ์ ตั้งอยู่ในที่เป็นอนิมิตตานุปัสนาแล้วพระอริยมรรคที่บังเกิดขึ้นในมรรควิถีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอนิมิตาวิโมกข์ถ้าวุฒฐานคามินีวิปัสนาคืออนุโลมฌานยึดหงวงเหนียวทุกขลักษณะเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในที่อาเป็นอปปนิธิอิอาเป็นอปปนิหิตานุปัสนาแล้วพระอริยมรรคที่บังเกิดในมรรควิถีนั้น ถ้าผู้มีพระภาคตัดเรียกว่าอัปปนิหิตาวิโมกดังั้นพระอริยบุคคลที่บังเกิดในลำดับมรรคก็มีชื่อตามลำดับอย่างนั้นนะมีชื่อตามลำดับอย่างนั้นอันนี้ก็อาศนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะงงนะอาจจะงงเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องวิมุตติวิโมกอะไรก็รู้สึกว่าจะงงถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงนะเป็นธรรมะชั้นสูงแต่ทีนี้ ถ้าหากจะพูดง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาวิโมกนี้ถ้าจะเทียบได้กับวิมุติเนี่ยได้กับวิมุติออันเป็นส่วนโลกุตระอาสุญญะวิโมกก็เทียบกันได้กับสมุดเฉดวิมุติอพ้นจากกิเลสเป็นตัวอริยมรรคอันนี้มิตะวิโมกเทียบกับได้กับปฏิปัฏจัตถิวิมุติพ้นจากกิเลสเป็นตัวอริยผลอัปนิหิตะวิโมกเทียบกันได้กับ นิสระนวิมุตตคือพ้นจากอากิเลตยั่งยืนตลอดอจนเวลาสิ้นชีวิตนะสิ้นชีวิตนีน่ก็เป็นเรื่องของอวิโมกแต่เพียงยอย่อเป็นแนวทางทีงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสมาธิสามต่อนะสมาธิสมามต่อสมาธิสามก็ได้แก่หนึ่งสุญญตะสมาธิสอง อันนี้มิตรสมาธิสามอปัิญิตะสมาธิประการแรกขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่าสมาธิยก่อนคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นในที่นี้ท่านประสงค์เอาสมาธิอันเป็นโลกุตระนะอันเป็นโลกุตระด้คาว่าตั้งใจมั่นก็คือว่าตั้งใจแน่วแน่ ตั้งใจแน่วแน่มีจิตใจเข้มแข็งอดทนมีจิตใจดิง่งรวมพลังจิตพลังใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือที่เราเรียกว่าเอกับคาตาลมมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น, นอย่างนี้เราเรียกว่าตัวสมาธิแต่เราจะรู้กันทั่วไปก็คือว่าในตัวสมาธิก็คือตัวสงบหรือตัวที่จิตใจมั่นคงหรือว่าตั้งมั่น แน่วแน่ไม่วันไหวไม่กลับกรอกไม่เอ็นเอียงนะไม่เอ็นเอียงนี่คือตัวสมาธิฉะนั้นอาท่านจึงจําแนกออกเป็นสามคือหนึ่งสุญญาตาสมาธิได้แก่สมาธิเป็นโลกุตระธรรมที่ว่างจากราคะโทสะโมหะหรือได้แก่สมาธิที่เป็นโลกุตระธรรมสัมพยุ ด, ด้วยสมาบัติมีอารมณ์อันว่างจากราคะโทสะโมหะ นี่ก็คล้ายๆกับริโมทที่เรีกล่าวมาข้างต้นนะคล้ายๆกันคือขึ้นต้นเหมือนกันหมดนะสุญญะตะนะสุญญะตะอันนี้มิตะอปนันนิตะนี่เหมือนกันดังั้นสุญญะตะสมาธิก็คือได้แก่ว่าอา่าว่างนะพูดง่ายๆคือสมาธิที่ว่างนะว่างจากราคะโทสะโมหะนะสงบสงบนงสงบจากราคะโทสะโมหะใจตั้งมั่นแน่วแน่ ปลอดปรงจากราคะโทสะโมหะนี่อย่างนี้เรียกว่าสุญญตาสมาธิเรียกว่าสุญญตาสมาธิประการที่สองอันนี้มิตาสมาธิได้แก่สมาธิเป็นโลกุตระธรรมหาราคะโทสะโมหะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายมิได้หรือได้แก่โลกุตระธรรมอันสัมปยุต ด, ด้วยสมาบัต ม, มีอารมณ์หาราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องหมายมิได้ พูดตั้นๆก็คือว่าอันนี้มิตรสมาธิก็คือสมาธิที่หาเครื่องหมายไม่ได้หาอะไรเครื่องหมายไม่ได้หาราคะโทสดาโมหะเป็นนิมิตเครื่องหมายไม่ได้นิมิตนี่แปลว่าเครื่องหมายนะเป็นเครื่องหมายไม่ได้ไม่มีคือสงบเรียกว่าจิตใจพ่องใสนะผ่องใสปลอดโปร่งนะปลอดโปร่งนี่ไม่มีราคะโสดาโมหะเป็นเครื่องหมาย หรอพูดง่ายว่าไม่มีติดอยู่อีกแล้วหมดแล้วนะประเภทที่สามอปนิหิตะสมาธิได้แก่สมาธิเป็นโลกุตระธรรมที่หาราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้งมีได้หรือได้แก่โลกุตระธรรมอันสัมปยุตด้วยสมาบัตมีอารมหาราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้งมีได้พูดง่ายๆก็คือว่า อปปนิยิตะสมาธิได้แก่สมาธิที่หาราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้งไม่ได้สงบจนไม่มีราคะโทสะโมหะมาตั้งอยู่ในจิตในใจแล้วนะนะสงบนี่สงบเลยสงบแล้วก็สงัดซะอีกด้วยนะสงัดด้วยแต่พวกเรามันก็สงบสงัดเหมือนกันแต่สงบสงัดของพวกเรานี่มันพอสงบสงัดมันก็เกิดความเงียบเหงา พอเกิดความเยียกเหงาแล้วก็ทําให้เกิดความหาวนอน mm hmm. เกิดความหางนอนอันนี้มันมันไม่เป็นสมาธิดังที่ได้กล่าวไว้ mm hmm. สมาธิของพวกเรานี่บางทีมันเกิดจากความอิ่มมากเกินไป mm hmm. อิ่มมากเกินไปบ้างง่วงเหงาหางถูกที่น้ำมิถะครอบงําบ้าง mm hmm. นี่อันนี้มันก็เาเป็นไม่ไม่เป็นสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาน ทีนี้ถ้าหากจะมีปัญหาถามนะเกี่ยวกับเรื่องวิโมกหรือเรื่องสมาธิสามนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าจะมีปัญหาถามว่ามีโมกสามก็ดีสมาธิสามก็ดีมีอัดว่าอย่างไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่ามีอัดว่าว่างนะว่างจากราคะโทสะโมหะก็ชื่อว่าสุญญตาวิโมกอีนะ่ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอ น, นิมิตตาวิโมกก็คือหาราคะโทสะโมหะเป็นนิมิตเครื่องหมายไม่ได้อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอัปปนิหิตาวิโมกมีอัตว่าหาราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้งไม่ได้ทั้งสามนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเห็นว่าแก้ไม่ต่างกันทรงเห็นว่าเป็นประเภทเดียวกันท่านจึงลงมติว่า ได้แก่โลกุตระธรรมอันสัมปยุตด้วยสมาบัตโลกุตระธรรมอันสัมปยุตด้วยสมาบัตแปดมีอารมณ์ชนิดนั้นส่วนสมาธิก็ได้แก่ตัวสมาตัวสมาบัตชนิดนั้นอีกเหมือนกันเหมือนกันกับวิโมกที่ได้กล่าวมาทีนี้จะาถามว่าสมาธิสองกับสมาธิสามต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร อันนี้เราก็ตอบว่าต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีที่ว่าต่างกันก็เพราะว่าเพ่งสมาธิสองเป็นส่วนโลกีที่ว่าเหมือนกันก็คือเพ่งอั ป, ปนาสมาธิเป็นโลกุตระเป็นสมาธิของพระอริยเจ้าเป็นสมาธิของพระอริยเจ้าพูดง่ายๆก็คือว่าสมาธิสามนะ่ะเป็นสมาธิขั้นโลกุตระของพระอริยเจ้าส่วนสมาธิสองนั้นก็ เป็นสมาธิในทางโลกิยะนี่โลกิยะอ่าก็ตั้งแต่ขิกะสมาธิแล้วก็อุปจาระสมาธิอ่าส่วนอัปปนาสมาธินั่นก็อ่าเข้ามาถึงโลกุตระแล้วนเป็นบารฐานแล้วอสงบส ง, งัดจากนิวรนทั้งห้าอ่าได้ฌานแล้วนี่มาได้ฌานหรือถ้าจะาถามว่าปีโมกแปลว่าอะไร ต่างกับวิมุตหรือไม่อันนี้เราก็แปลได้ไง่ายๆวิโมกเลยว่าความพ้นหมายความว่าพ้นจากกิเลสต่าง ก, กันกับวิมุตโดยพญช น, นะส่วนโดยอัตก็เหมือนกันคือพ้นเหมือนกันนี่เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของสมาธิทีนี้เมื่อพูดถึงวิโมกสามสมาธิสามแล้วก็พูดในสิ่งที่มันสอดคล้องต่อกัอนไปอีกก็คือเรื่องวิเวกสาม เรื่องวิเวกสามวิเวกสามก็ได้แก่หนึ่งกายวิเวกสังัดกายสองจิตตาวิเวกสงังขจิตสามอุปธิวิเวกสงังขจากกิเลสคําว่าวิเวกนีแ่แปลว่าความสังัดนะความสังัดความเงียบอะไรลองถ้ามันสังัดแต่มันก็เงียบอะไรถ้ามันเกิดความเงียบแเราก็เกิดความเหงา นะเกิดความเหงาแต่เอาเป็นแค่เหงานะให้เกิดหานอนไม่เอานะนี่นะสงบแล้วก็เงียบแล้วก็เหงาเราสังเกต ด, ดูสิเวลาเรานั่งทําสมาธิกันเนี่ยจะอยู่ตามวัดวารามต่างๆก็ดีหรืออยู่ตามอารงเรียนก็ดีรู้สึกมันเงียบสงัดจริงๆเกิดความวังเวงนะเกิดความวางเวงเงียบสงับมากจนเกิดความวังเวเง อแล้วก็สงบด้วยฉะนั้นคําว่าวิเวกนี่ก็ยิ่งแปลว่าความสงัดเงียบได้แก่ความที่ปราศจากสิ่งต่างๆอันเป็นข้าสึกแก่ความสงบเป็นไปทั้งในทางกายอ่าเป็นไปทั้งในทางภายในและภายนอกอืที่มีอยู่สามโดง่ายๆก็คือว่าสงัดทั้งกายทั้งอ่าสงัดทั้งภายในทั้งภายนอกคือไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึก ภายนอกก็ไม่มีเสียงอะไรมารบกวนภายในก็ไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปรบกวนนี่ฉันจึงแบ่งออกเป็นสาเคื่องหนังกายวิเวกก็คือความสงัดกายได้แก่การอยู่ในเสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงสัตว์และมนุษย์ห่างจากขนทางที่สัญจรไปมาแห่งผู้คนทั้งหลายสมควรเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญสมณธรรมการอยู่ในเสนาอันสงัดได้ชีว่ากายวิเวก นะก็คือสงัดกายฉะนั้นอเราจะเห็นว่าอาสำนักที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเจริญปัสนานั้นก็มักจะอยู่ในดงในป่านะส่วนใหญ่จะอยู่ในดงในป่าเพราะมุ่งเอาการาสงบสงัดกายนะเอาทางกายไอ้ข้อ น, นี้ยมันเป็นส่วนสําคัญมากคนเราถ้าหากว่าอาอยู่ในที่สงัดบ หลอดจากเสียงผู้คนเสียงยวดยานภานะต่างๆแล้วก็มันจะเป็นพาหะที่ทําให้จิตใจสงบต่อไปได้แต่ถ้าตราบใดเรายังอยู่คลุกคลีกับหมูคนอยู่หรือว่ายังอยู่ใกล้กับเสียงรถหรือพวกยวดยานภานะต่างๆทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศการที่เราจะหาโอกาสทําให้กายวิเวกหรือว่าจิตวิเวกนั้นมันก็ยากนะมันก็ยาก แต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้เลยทีเดียวนะทําได้นะทําได้อืาก็เราจะเห็นว่าสํานักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในใจกลางเมืองก็มีเยอะนะในใจกลางของกรุงเทพมหานครก็มีเยอะนะอ่าคือข้อสําคัญก็คือว่าอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจของเราอืาแต่ว่าการที่เราหลีกออกจากเพื่อนฝูงหลีกออกจากหมู่คณะไปเข้าดงเข้าป่าไปอยู่ในที่วิเวกนะ มันมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยให้เรานั้นมีจิตใจสงบได้ไวดีกว่าที่เราอยู่ใกล้เสียงรถเสียงเรือเสียงผู้ค น, นถ้าว่าเรายังมีจิตใจคงท่านแล้วก็ไปนั่งได้ยินเสียงผู้คนคุยกันได้ยินเสียงยดยานพาณนะอย์ได้ยินเสียงเรือยนอะไรต่างๆนานาเ น, น, น, นี่ยรู้สึกว่าจิตใจเราสงบยากสงบยากเราจะต้อง สึกจิตฝึกใจอย่างมากต้องฝืนจิตฝืนใจอย่างมากนะอนะ่ฉะนั้นจึงบอกว่าการอยู่ในป่าถือว่าเป็นทําให้เรานั้นกายวิเว้นะเรียกว่าให้สงบกายเสียก่อนนะสงบกายเสียก่อนถ้าหากว่าเราจะทำความสงบเนี่ยมีคนมาเยี่ยมเยือนบ่อยๆมีแขกมาบ่อยๆอย่างนี้ใจเราไม่เป็นสมาธินะไม่เป็นสมาธิมีแต่ฟุ้ง ว่ายคนที่มันมาเยี่ยมเยือนเราเนี่ยมาแต่ละคนก็เรื่องหนึ่งสองคนก็สองเรื่องสามคนก็สามเรื่องสิบคนก็สิบเรื่องยี่สิบคนก็ยี่สิบเรื่องเอามาระบายที่เราหมดเลยนะเราก็กลายเป็นกระโถนท้องพระโรงไปรับกิเลส ข, ของเขาหมดนี่มันก็เลยทําให้เรานะี่ยโค้งสัน้นําคาญใจหน้าเบือ่อนายนี่หน้าเบือ่อนายหรือเกินฉะนั้นจึงบอกว่าเราทุกคนควรจ ะ, สะแสวงหากายวิเว ดังกายวิเวกที่ดีที่สุดนั้นจะต้องหลีกหรือไกลจากหมู่บ้านไกลจากผู้คนไกลจากทางโยตยานผ่านนะนะจึงจะสะดวกจึงจะสบายนะแต่ไม่มีอะไรที่จะเหมาะไปกับพวกอารัมยวาสีคืออยู่ตามป่านะตามป่าดีมากนะกายวิเวกดีมากนะก็คือความสงัดกายนะประเภทที่สองก็คือจิตตะวิเวก ค, คือการสงัดจิต ในความสังกัดจิตก็ได้แก่การเจริญส ม, ะมาถะกรรมฐานทำจิตใจให้ปลอดโปร่งจากนิวรณ์ทั้งห้าไม่มีเครื่องทำจิตใจให้ขุนมัวนะไม่มีเครื่องทาจิตใจให้ขุนมัวนิวรณ์ห้านี่แหละเป็นตัวที่ทำจิตใจของเราให้ขุนมัวนะท่านเปรียบว่าเหมือนกับน้ำ คนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมีจิตใจสะอาดอะสะอาดเหมือนกับน้ำฝนหรือน้ำใสแต่เราได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้รับอารมณ์ต่างๆจากพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าสิ่งใกล้เคียงเป็นเครื่องปรุงแต่งทําให้ใจของเรานั้นก็เลยมีความโลกความโกรธความหลงหรือมีราคะโทสะโมหะ ก็เหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวน้ำนั้นก็ไม่สะอาด น, น้ำนั้นก็ไม่สะอาดฉะนั้นไนน้าน้าไม่สะอาดเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้านั้นตามความเป็นจริงได้ถ้าน้ำสะอาดเราก็มองเห็นได้เอาอะไรไปใส่เราก็รู้แต่ถ้าน้ำสกปรกเราเราไม่รู้จิตใจของคนเราเหมือนกัน ถ้าหากว่าโภคนิวรณ์ห้าครอบงำเสร็จแล้วก็แน่นอนที่สุดก็เหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆนคนที่โภกามาจันทะนิวรณ์ห้าข้อแรกครอบงำก็เหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆมันคุณมัวเป็นหมอกมองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่รู้จักสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคนที่มีพยาบาทครอบงำก็เหมือนกับ น้ำที่กำลังเดือดพล่านไม่เห็นอัดไม่เห็นทรรมไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงคนที่มีถีนมิทะครอบงำก็เหมือนน้ำที่เต็มไปด้วยจอกแหนเอาอะไรเควื่องไปก็มองไม่เห็นเราไม่รับรู้กับการที่ใครจะมาอบรมสั่งสอนอะไรมองไม่เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเพราะว่าถูกจอกแหนคือถีนมิทะมันปิดบงังครอบงำไว้หมด คนที่มีอุทะจะกุกุจกะครอบงำจิตใจก็เหมือนกับน้ำทะเลที่มีลมพัดมันจะเป็นคลื่นอยู่ตลอดเวลาใจของคนที่มีอุทะจะกุกุจะครอบงำก็ใจเป็นคลื่นฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคนที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำก็เหมือนกับน้ำที่เต็มไปได้วยโคลนตมมันก็ยิ่งมืดมิดใหญ่มองไม่รู้มองไม่เห็นตามความเป็นจริง ฉะนั้นนี่แหละนี่วอนห้าเนี่แหละจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทวงความเจริญแห่งคนเราหรือว่าเป็นกำแพงที่คอยจะกัดกั้นไม่ให้เรานั้นได้บรรลุคุณงามความดีนะฉะนั้นคนเราเมื่อได้อยู่ในที่สงบสงัดจากทางกายแล้วก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดจิตวิเวกก็คือความสงัดจิตได้แก่การเจริญสมสถะโดยยึดเอา อากาสินสิบหรืออสุภัสสิบเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์หรือจะเจริญพุทธานุสติสิบก็ได้นะนุสติสิบก็ได้นะเป็นอารมณ์หรือถึงที่สุดก็คือว่าเราก็เจริญวิปัสสนานะเราก็เจริญวิปัสสนาก็โดยยกจิตขึ้นพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อเราปลอดโปร่งจากนิวรณ์แล้วก็ไม่มีเครื่องทำใจให้ขุนมม่ได้บรรลุเราก็จะได้บรรลุฌานนะจะได้บรรุฌานทั้งสี่ะนอรูปฌานทั้งสี่สามในข้อที่สามอุปธิวิเวกความสังหัดกิเลสได้แก่การบําเพ็ญวิปัสสนาภาวนากระทำใจให้บริสุทธิ์หมดจด ปราศจากกิเลสโดยเอกเทศหรือว่าซิ้มเชิงเป็นชั้นๆตามพวิของตนอันการอยู่ในที่อันปราศจากเสียงอืออึงนี้มีประโยชน์เพื่อฝึกหัดจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งก็นล้วนแต่เป็นอาสวนที่เสียหายแต่ถ้าจิตได้รับการอบรมในทางที่ดีจิตก็จะชักจูงไปในทางที่ดีซึ่งท่านกล่าวไว้ว่า ใจที่ไม่ได้รับการอบรมนั้นอาจทําคนให้เสียหายได้ยิ่งกว่าโจรหรือว่าคนมีเวรจะทําให้เสียหายได้อีกแต่ถ้าใจได้รับการอบรมดีแล้วก็อาจทําคนให้ดียิ่งกว่าบิดามารดาและญาติผู้รักใคร่จะพึงทําให้เสียอีกฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ให้ผู้ประพฤติพรตหรือว่ า, าปฏิบัติศีลทั้งหลายจเจริญส ม, มณธรรมทั้งหลายตั้งอยู่ในวิเวกทั้งสาม อเพราะอวิเวกเพราะการที่เราได้มีความสงบสงัดก็เป็นเหตุให้เพราะเมื่อกายวิเวกหมายว่าเมื่อความเมื่อเมื่อเราสงัดกายก็เป็นเหตุให้เกิดความสงบสงัดทางจิตอ่าเมื่อสงบสงัดทางจิตก็เป็นเหตุให้สงบสงัดจากกิเลสจากกิเลสเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดจากกิเลสแล้วก็มีจิตใจแนวแน่ มีจิตใจแน่วแน่ฉะนั้นเมื่อจิตใจแน่วแน่แล้วก็แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายนะมีแต่ความสุขความสบายเราก็สามารถกำจัดกิเลสอย่างกลาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาปัญญายะไปสุชติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาถ้าจะมีปัญหาถามว่าวิเวกเป็นชื่อเรียกพระนิพพานได้หรือไม่อ อันนี้เราบอกว่าเรียกได้ถ้าหมายเอาอุปธิวิเวกก็เป็นชื่อของพระนิพพานได้นอกนั้นไม่ได้เพราะกายวิเวกหมายเอาการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คืออยู่ในที่สงดจิตวิเวกหมายเอาจิตที่สงบจากนิวรณ์ด้วยสามารถสมถะภาวนาส่วนอุปธิวิเวกที่เรียกว่าเป็นชื่อพระนิพพานได้นั้นเพราะบริสุทธิ์จากกิเลสไม่ยึดถือมั่นในเบญจขันธ์ด้วยตัณหามนตทิฏฐิ หรืถ้าจะมีคำถามว่าอุปธิมีประเภทเป็นอย่างไรบ้างทำใจได้อย่างไรจึงจัดเป็นอุปธิวิเวอันนี้เราก็แก่ว่ามีประเภทสี่คือขันธูปธิได้แก่กิเลสที่เข้าไปยึดถือขันธ์กิเลสูปธิได้แก่กิเลสที่เข้าไปยึดตัณหาอาภิสังข า, ารูปธิได้แก่กิเลสเข้าไปยึดพบ กามคุณูปธิได้แก่กิเลสที่เข้าไปยึดกามคุณทาใจให้ปลอดจากกิเลสดังกล่าวมานั้นด้วยวิปัสสนาภาวนาก็จัดเป็นอุปธิวิเวกมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่ความเจริญเอาละได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิโมกก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องวิเวกก็ดีก็พอเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ